บางคนมันบอกมันมก็ ง, ง่ายไม่จยากเป็นอธิบายมากก็คือการกระามันมีอยู่นะมันเกิดไม่ใช่ันเกิดอย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับจิจมันไปนรู้จิจมันไม่รู้ถือไม่ไปรู้ความจําคือมันรู้มันรู้ความจริงคือเราไปประกาศให้หาความจริงไม่ใช่ไม่ใช่ปกาศหาความจำโดยมากเราไปปฏิกาศโดือารพูดมันมีความจํามากกว่า มันจะปิดกับพิงไว้ถ้าความจำแรมกักนกสะสัยถ้าความคิงมากระวนกรัยแต่ว่าต้องทำคือคือมันมีคล้ยคยายๆแบบเท้าน้ำเนี่นะแล้วจะเปิช่องน้ำออกทีเดียวนี่มลยมีที่ออกนะแมะครับที่อื่นไม่มีที่ไหลออกนะครับมันจะเอียงไปตรงนี้มันก็ออกไม่ออกก็รมัไม่มีรนะูและตามสำสอนแนะนำของคนตัวนี้เ น, น, นี่ยปันใส่ตรงนั้ พย like <S S 1> <father> ายามทำจิตมันให้มันไปตรงนั้นทาอย่างนี้มันจะไปตรงนั้นอย่างจะซีใส่ว่านั่นเราเปิดยังไงทาอย่างนี้มันจสว่างไปเอยทาอย่างนี้มันมีควมมืดเข็มีเป็นต้มันมีบัคคภาอยู่ในมันการจิตน <c oughs> ี่เวลาไปทาอะน้าเนี่ยมันปฏิเสธตัวเงื่อนเพรานไม่ไปมันไม่มีทางน้ำไม่ไปแล้วเราบอกเราทำยังไงเาทำยังนง มันที่นี้มันน่ามันก็ไร่ออกโอคมัออกอย่างนี้วันนี้มันก็รูเ้เรื่องเพื่องเพราะมันการดินทางพวกต้องทําอย่างนี้นี่หลักอันในใ้นหนึ่งแล้วมันก่อหลักที่สองนั่นก็ไม่ยากก็ได้หลักขั้นแรกใช่ดูใจว่าอย่างคนไทยเนระาควรจะทาอย่างการพราวนาจะทําอย่างไรจะทําให้มันเป็นไปอย่างไรก่อนอย่างมีต้องรู้เรื่องกันก่อนแตรานั่งสมาธิสงบอย่างนี้จะให้มันเป็นอย่างไร เมื่อสะบแล้วมันจะเป็นยังไงมันให้มัน dark, เป็นปในรูปไหนอย่างนี้นี่ก็รู้จักแต่ความเป็นจริงไงความสงบมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็พบความสงบนั่นแหละเมื่อพบความสงบขึ้นมามันก็แปลกแปลกกับที่ไม่สงบอันนั้นอะไรมันเห็นแล้วสิ่งอันนี้ก็เลยกว่ามันในควรจะเป็นไปได้เช่นเป็นเป็นอ้ายเช่นว่านั่งดับตาเนี่ยมันคิดอย่างนี้ ดับตามีประโยชน์อะไระเริมตามันยังไม่เห็นด้วยเนียกทัศน์ดับตาจะวยเช่น อ, อย่งเราเมตาเราคิดไปที่ไหนไ<ง>ดับตามจะเห็นอะไรไอ้ความมีชิงยิ่งดับตามยิ่งไกลไกลเลยนะ้องเรานั่งดับมันมันมันยิ่งไกลไกลเลยนะเริมตามเห็นแค่ไหนน ะ, ะนั้นเดียวกัหาตาในหาตาในหาตาข้างในมันเกิดปัญญาหลายอย่างอยนะ่างแบบมันเป็นนี้ เกิดประมาณเช่นว่าอถ้าเราทำไปมันเกิอดจอากนี้ขึ้นมามันเกิอดจากนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าอันนั้นอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจผ่านไปทำไปเป็นงนี้อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจผ่านไปไม่ต้องสนใจมันจะเกิอดอะไรมันก็เกิดได้หลายอย่างผ่านผ่านไม่ต้องผัานทิ้งมันไปดิเแชบบ่นว่าทางสนนสายนี้เนี่ยเช่น เส้นหนึ่งแดงเนี่ยเดินตรงไปนี่เดินไปขั้นไม่ต้องการอะไรเดินไปตามถนนสายนี้ถ้าเราไปเจอก้อนหินก่นจับเป็นขั้ววางใจทางนะ่ไอไปเจอทนไหวถ้าก็อนจับเป็นขั้ววางใจทางใช่ไหมคือเราไม่ต้องการนี่แล้วก็เดินทางเราด้วยเหนอไมถึงจนถึงที่สุดแค่ัหน ไอสิ่งที่พบรู้สึกนึกคิดปรามประระได้หลายอย่างซึ่งวันนี้เป็นเหตุเราสงสัยอยู่นี่แล้วก็อันนี้แลาต้องตัดกันต่ออันนี้ไม่สําคัญอันนี้เป็นสําคัญอารมณ์เออารมณ์มันเกิดหลายอย่างเห็นว่าเราจะมาวัดน้องประพงศ์นี่เป็นต้นควรจะมาถึงวัดประพงศ์เมทางวันนีระหัสสายอย่างนกอมีประช่างมณนาพค้ำมันไปตะไม่ตองการเอารมณ์หลายอย่างเหมือนกัน เราจะทําให้มันสงบอารมณ์ที่ไม่สงบมันก็วนใจมันวนใจเราอยู่อย่างเราจะมาวัดตัง้งบัวคงนี่เป็นต้นอนทางมาวัดตัง้งบัวคงนั่นมันมีหลายสายที่มันผ่านกันอยู่นะถ้าเรารู้จักว่าในทางผ่านนั้นอะไรต้องผ่านมันไปเีนน่นองนีต้องโนใจมันไปเส้นนี้อย่างมี้เปนต้นอันนี้ว่าตัดอารมณ์อารมณ์อย่างเช่นว่านางฟู แม่กิดแต่เกแล้วฏิสุทธเป็นยังไเนาะมจะรู้อะไรเนาะมันจะเห็นอะไรเนาะยังี่ตัดมันออกเลยตรงเนี้ยเกลาทางเราเฉยเช่นนี้เป็นต้นทำกิจจะมันก็ตัดมันออกมันจะรู้อะไรเนาะมันจะเห็นอะไรเนาะมันจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยถ้าเรานั่งมันชอบจะคิดอย่างนี้ต่อตัดมันออกอันนี้ไม่ใช่อย่าเพิ่งไปศึกษาอันนี้ไม่ใช่หน้าที่เราจะศึกษาเราศึกษาเราเรียนคู่ของเราไปเรยมีอะไรมหมแม่ต้องสารใช่ไหย แค่ตอเนเกิดมาการนั่งสมาธิเนี่ยเมื่อกิจเราวุ่นวายอยู่เป็นปกติกิจของเราเราจะนั่งให้มันสงบอย่างนี้นั่งให้มันสงบอย่าวนั้นมันก็ยังวุ่นวายอยู่ก็เ<ะ>พราะมันเคยวุ่นวายมาแล้ว<ะ>นั่นคืออารมณ์เก่านี่ยแต่เมื่อมันเคยวุ่นวายเสร็จมาแล้วเราบอกว่าถ้าไม่ชินกับตา ม, มันไปดูชินกับตา ม, มันไปดูไม่ต้องอันนี้ขั้นนี้เราไม่ต้องศึกษาอนันนี้เพราะว่ายังไม่เป็นขั้นจิตศึกษาอันนี้ Yeah, so. เราตัดเราตาดกระแสมันเรื่อยๆไปมีอารมณ์มนเราก็ทิ้งมันไปนี่เช่นวันเราตั่งกํำลังลมหายใจเข้าออกอยู่นี่ด้วยนี่คือคือหน้าที่ของเราที่จะต้องศึกษาในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ลงเข้าแ ล, ล้วก็รูดจยัดลมออกแ ล, ล้ก็รูดห ย, ย, ยัดลมเข้ายาวรูดจยัดสั้นรูดจยัดยาบแล้วก็รูดจยัดละเอียดรูดหัดนี่หน้าศึกษาของเราตอนนี้ครับ <Yeah. S 2> นี่ศึกษาทอนนี้ แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้อันนั้นยังไม่ศึกษาในระดับที่ยังไม่ได้ไม่จำพูดไม่จงพูดยังไม่ใช่หน้าที่ของเราทีนี่มันเกิดได้ยินนี่แล้วพูดได้ยินเสียงตู้ยื้อเสียงผู้กับบางอย่างแล้วพูดเรากำหมดอย่างนี้นะอาจารย์แล้วว่ากำหนดเนี่ยทีนี่เราหูเราก็ได้ยินนี่ผู้อยู่เงี่ยเราจะทำยังไรงอันนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ยินนะเราหูมันนะเราเดจะคิดว่าไงตรงนั้น เราคิดว่ามันเสียงมันมากวนเราไงหนี่ยครับรู้สึกอมันจะควรจะผมองครับผมรองครับอย่างนี้เราคิดผิดนี่เราคิดผิดคนลำคาดิบครไอความเป็นจริงก็ธรรมชาติมันจะบอกใครนะจ้ามันเสียงมันส่งไม่ผ่านได้เกินนะแล้วก็หนีไปอยู่ตรงนั่นเสียไปอยู่ตรงนั่นพอสงบไปไปแจ้งเงินมีมาอีกไม่ใช่แจ้งแต่จริงเสียงคนเขาลค้าไปที่นั่นลำคลานไปที่นี่ลำค้านไปที่นั่นลำคลานไปที่มี่เสียงแตงนั่น ว่ก็เกิดปัญหากั้นมาไอ้นี่มันเรื่องอะไรแล้วเจนี้จากเสียงเจนี้ไปตัวไหนนะมันจะเกิดขึ้นมาในเวลาที่เห็ที่เราทำเพียย้ยนเลยไอ้ที่กาลังที่มันคิดอยู่เช่นนั้นนะบอกเขาเข้าใจว่าเสียงนั่นมันมาควรเราถ้าเสียงไมันข่วนเราก็จะสบายเราก็นึกว่าเราคิดถูกเมื่อทกเมื่อนึกว่าเราคิดถูกแล้วคนหนีเสียงเรื่อยไปหนี้ไปที่ไหนมันก็ต้องมีเสียงแม้เสียงของเราในตัวเรามันก็ยังมี ทำไปทำไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเหี้น mm hmm. ยนนี่เราไปโวนเสียงหรือเสียงมาโวนเรานี่ยมันจะเกิดอย่างนี้จะมีป <Yeah. S 1> ัญหานี้เห็นมานะแต่เราคิดกับไปพีนาน ก, ากับไปกำหนดกับไปคู่พบความจริงนะเราไปกวนเขาไม่ใช่เขามากวนเราคิดเช่นนี้แล้วก็แกะตรงนี้ไม่ไปแกะตรงนั้นไม่ไปแก้เสียงแล้วกแกะตรงนี้ โอ้เราวกวนเขาเนี่ยเมื่อเราคิดเช่นนี้ห้ความรู้สึกมันนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากที่มักเสียงมากวนเราแล้วถึงแม้มันจะยินอยู่ก็ไม่ํรำคาญเนี่ยเออแก้ตรง น, นี้ไม่ใช่แก้ตรง น, นั้นเสียงนั้นมันเ็ะอยู่กันจะไปที่ไหนไม่มีเสียงเพื่อให้เป็นคนรูห่วงเพื่อจะปฏิบัติหรือเป็นคนตาบอดหรือเป็นคนบ้าจึงจะปฏิบัติอย่างไรเรื่องไม่ให้เสียงให้รูปมีต่นในโลกนี้หรือเรายิงจะปฏิบัติกันได้ มันเป็นไปไมนะ่ได้คอให้เรารู้เท่ากับเสียงนี่คืออะไรให้เรารู้เรื่องของมันเนมะือเรารู้เรื่องของมาลัย น, นะโอ้พบตัวจริงแต่ว่าเราไปปวนเขาเนี่ยนี่นี่มันก็มีทางแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จกักเวลาไปปวนเขาเราคิดผิดไปนะไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ปล่อยให้มันดังวีก็ช่างมันมันไม่ปวนเนี่ยเสียงก็สกกัจจะได้เสียงเพนั่นคิดก็เป็นคิดเสียงก็เป็นเสียงเหม อารมณ์ก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตแต่มันไปไปปนกันแล้วถ้าเรามันได้ฝึกได้ยินเสียงมามันก็ไปปนกันหมดยุ่มกันหมดเองมันเรื่องของเราท่านไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ปล่อยเมื่อเห็นยินมันก็ปล่อยได้เสียงก็ดังอยู่เต็มมันปล่อยเพมันได้นี่มันจะเป็นธรรมนองอันนี้ฉะนั้นอันนี้ปัญญามันจะเปิดทีหลังนี่จะรู้นี่แหละขนาดเสียงอย่างเดียวตอนนี้เราปฏิบัติอยากบางคนก็้องการหนีเลิกบ้าทําม่ได้ ไอความไม่เคียงนั่นมันไม่เกิดอยู่ตรงนั้นมันเกิดอยู่ที่เรานีิเราคิดผิดยังไม่เป็นสัมมายังไม่ชอบคิดไม่ชอบคิดผิดเมื่อคิดผิดมันก็เกิดผิดเกินมาเรื่อยเรื่อยเรื่อเสียงมันก็ยุ่งเรารูปก็ยุ่งล้วอะไรมันยุ่งไปทั้งหมดนะเพราะเราไปเอมันนี่ถ้าเรารู้เรื่องมันก็ปล่อยตามธรรมชาติมันเราก็มีตัวมันไม่สวนมันไม่ปนกันแลน่นี่กอเราไปเห็นไหมอันนี้มันก็เป็นได้ ถ้ากว่ามีคนอย่างอย่างที่มาศึกษาวันนี้ก็เข้าใจง่ายถ้าเราไม่ศึกษาอย่างนี้ก็เดียกว่าเราต้องออกไปนานไม่ไ ด, ดะเสียงด้วยไม่อยากจะให้มีเสียงเมือคิดไปเสียงมันกวนเราอยู่เรื่อยเืยไปการปฏิบัติมันปเปินเ่ช้าถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเมื่อเสียงมันมันดังยังเสียงทำไงถ้าเรารู้จักว่าไม่ไม่ใช่ว่าเสียงมันมากวนเรา เรามันไปกวนเขาชัดเย็นกันไปแล้วท่านนี้มันก็พอเลยลูกปุรีเสียนปุรีกินปุรีรถทุกอย่างเลยนี่เรารู้อันเดียมันรูหมดมันลักษณะอันเดียวมันคือณะอันเดียมทีนี่ใครคาดว่าโยมที่แบบจำไก่ได้ตัวนี้ว่ามันเป็นไก่มันมีลักษณะอย่างนี้นะจำตัวเดียวตัวนี้แหละจะไปร้ายจักรวรรดิไปพบสัตวชนิดนี้เมื่อก่ออย่างเดียวกอนเป็นไก่มันก็เป็นอย่างนี้ แล้วก็จำเอาเออนี้ไม่นใจเปลี่ยนตัวกายมันเปลี่ยนตกาเ น, กกนี่ยมันแน่เข้าไปอย่างเนี้ยเมื่อเรานั่งไงมือไม่เสียหวังไม่เช้ามาปวรเราความรู้อันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราเป็นปวดเช้าเราต้อง แ, แก้ตรงนี้ห ม, นหมดอันนี้ลักษณะันต้องทําไปแล้วปัญญาต้องยๆเกิดขึ้นทีหลังจะค่อยติณใจพิจารณาเรื่อง ท, งทงุกข์ของตรงไหนต้องแก้ของมันไปอย่างนั้น หน้าที่ของปฏิบัติสมาธิเนี่ยเมันก็ อ, อย่าไปไม่ต้องพิจรารณาอะไรมากเนี้ย <c oughs> ถ้าเราทำ่ำคิดเนี่ยมันเป็นหนึ่งลงเข้าลงมออกในรู้จักในรู้จักใรู้จักว่ามันออกในทันมันแต่รู้จักเรามันเข้าบางทีมันพบงบังงไปอย่างเดียวได้หยุดกําหนดใหม่บางทีมันลงลงหลงนเข้าออกเข้าก็าไม่รู้ออกก็ไม่รู้เพราะว่าสติมันมีอยู่ที <c oughs> ่ไหนเลยไหมก็ต <c oughs> ั้งสติขึ้นมาอีก กำหนดขึ้นมาใหม่หันใจเข้าไปอ่าใจออกเนี่ยเรากำหนดมันออกเป็นอย่างนี้เข้ามาเป็นอย่างนี้มันออกเป็นอย่างนี้มันก็เขา้าเอาเท่านี้นะเป็นตัวไปเอาอย่างอื่นนะอะไเช่นว่ า, วาการงานคนนึ่งให้ท่านจักกระโถนใบนีมาใบนี้อีกหนึ่งนาทีกว่าจับมาใบ น, น, น, นี้อีกหนึ่งนาทีกว่าจับมาใบนี้อีกหนึ่งนาทีก็จับ หน้าที่ของท่านจะต้องทำจะต้องทําเท่านี้ในขอบเขตนี้ก่อ น, ไ ม, อ น, อนมไม่ต้องไปคั่วเอาหนูมาอีกไม่ต้องไปอย่าไปวุ่นอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไห ม, มจนกว่ามันชำนาญสักหนึ่งนาทีจับมาไว้ตรงนี้เออถึงส<ม>ัเทีเอามาไว้ตรงนี้มีเท่านี้หน้าที่อันนี้จํากัดเท่นี้ให้ทําเท่านี้น อ, นนนอนัมสก็เมุลแต่เราทําไปคิดไปเรื่อยๆไปลมหายใจมันเสือมันมาผ่านมันจะเรื่องถึงเรื่องอะไเกิดขึ้มาผูกยึด ในแต่เราจับตรงนี้มาวางตรงที่จากตรงนี้มาวางตรงนี้อันนี้ให้มันได้แต่ก่อนอีกป็นรับแงในเรื่องที่หลังนั้นนะถ้าอันนี้มันสงบแล้วอันนั้นมันจะแก่ทีหลังมันอันนี้มันยังไม่สงบครับท่านพ่อท่านพ่อรู้ว่รับโดยทำในที่ท่านอว่านะครับเสร็จแล้วเรารู้สึกวมันแปลงไปคือค่ารางวัลถ้าเรานอนนะครับเราก็สงบสมเมื่อใจยังที่ว่าเนี่ยครับเสร็จแล้ว ตัวเรามันเมนจะลอยเบาไปอะที่มันจะเกิดรูสึกแปลกตรงไมเราก็ตกลงมาเหมือน่าเรนอนที่ไหม่ไม่ไม่ไมอันนั้นนักปราเอแล้วันนั้นไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องให้รู้จิตเ็าเป็นยังไงในเวลานั้นเท่านั้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่รู้จิตของเราตอนนั้นชัดเจนมันก็หายแล้วเราจะไปวิ่งกับมันที่ตรงนั้นอารมณ์แต่ว่ามันต้องเป็นนนมันเป็นลักษณะยางไ้หลายอย่าง อะไรอย่างนี้คือเกิดช่วงสายสินี่ใช่แน่จะไป่วงมาเลยจะ ไ, ไป่วงมนเลยมันก็นขนาดว่ า, าเราทํางานถูกไหมเราทํางานมาหลายปีนะ่ะเงินเดือนทำไมไม่ขึ้ น, นอนเ่าทวงไม่ได้ทุกเงนนั่นแหละเรา่วงมาได้ทุกเงนนั้น <c oughs> <c oughs> แหะเนี่นยอย่างเนี่ยเออที่เนี่ยถ้าเราก็าจะเออไอความดีอยู่ที่ทํางานของเรานะกบ อยู่ที่ทําความดีความชอบอยู่ที่การกระทําของเราแล้วก็ตั้งใจทําของเราเรื่อยไปในลักษณะ น, นี้เพราะนั้นแหล ะ, ะทีนี้มันก็ตั้งใจทำเคารพในการงานของเจ้าของเนี่ยแต่ความดีมันก็เกิดตรงนี้จริงจริงธารวงไปคิดหน่วยเอะไรเนาะทางานได้จีนเดือนเดือนเนไม่ใช่ทุกเท่านั้นนะวุ่นวายเท่านั้นแหละมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรมันเปนกระบวนุารไม้เชื้อเพลิงมาอยู่ในแม่ไผ่มนมีไฟอยู่ในนั้นธรรมดา ถ้ามาจะเห็นไฟเราเอาไม่ไฟไม่ไฟสองที่เอาสีเข้านี้สีเี้เาไฟแต่ไฟมันมีอยู่นะะถ้าเราถ้เรามาทําไปไเรื่อยๆความขี้เกียจมันเกิดขึ้นมานะะยังไม่ถึงไม่ไมาถึงฝัง่งนี้ไฟทิศตรงนี้แล้วตัวนี้มันไปไอ้เพราะว่าไอาความร้อนมันไปส่งรุ่นกันไฟมันก็ไปเกิดแล้วตัวนี้จากไฟไปเจอนี่มันเป็นทีน่นี่เดียวพระที่บานไปถึงมัน มันก็เป็นอย่างงี้ต่างว่าความร้อนมันสมดุลกันก็นเกิดไฟกันจริงๆไม่ไปอย่างงี้ได้ไหมความขี้เกียจขึ้นมาเรียกว่าประมาทเกิดขึ้นมาแลอดน้ า, า, นาอย่น า, น <c oughs> างนี้บางทีก็บางทีก็เสียไฟเป็นฟวนจะเกิดขึ้นแล้วเป็นฟวนแล้วแต่ยังไม่มีไฟแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันขี้เกียจเต็มทีแล้วมันเหนื่อยเลยปล่อยมันไปเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นไม่ถึงไฟมันก็มีมีไฟก็นึกว่าไฟไม่มีในที่นั้นถ้าคนนี้ไปเช่นนี้เป็นต้น นี่ลักษณะนี้สมเด็จในท่านเป็ปฏิบัติธรรมและอดทนทำกรงเพียนติดต่ออย่าเผลอด้วยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนพอดีเป็นต้นให้มีสติอยู่เสมอเลยทีเดียวถึงแม้มันไม่สงบก็ให้รู้มันเมื่อเราทํางานอยูแม่อยู่บนโต๊ะเราทํางานอยู่ก็เหมือนกันเมื่อกิจธิรานี่มันเป็นอย่างไนเมื่อกิจอันนี้มันถึงห้รู้มันไม่ก่อนเถอะมารู้มันอืออันนั้นเปของไปแน่นอนคอันนี้เลยของไปแน่นอนเลยด้วยเราไปเย่างนี้ ตอกลางคืนมาเลิกทํา ง, งานม า, า, ม า, มานแล้วกประมุทํากรรมฐานนั่นมันก็ง่ายขึ้นถ้าเราปล่อยกระทั่งวันกระทั่งคืนไม่รู้เร่องอะไรมันก็ยากลำบากมันต้องพยายามติดต่อแต่าตามเรื่องอย่างนี้ยแล้วต้องตามเรื่องตามเรื่องเพราะเราติดต่อการนั้นพยายามทําการงานอนั้นให้มันสม่ำเสมอที่เราต้องทํานั้นให้ครบหน้าที่การงานของเราอืรทักษ์ความพอใจ วิญญริยะวามเพียรกิตตะเอาใจฝักไฟวิมังศาก็ตีต้องในเหตุผลที่เราจะต้องทํานั้นอยู่เสมอเรื่อยๆไปอันนี้อาศัยการปฏิบัติอันนี้ต้องใช้ประโยชน์พยา ย, ยามความเพียรในมีสติตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นปฏิบัตินี้มันต้องมันคล้ายๆก็หมายครั้งแรกนี้มันก็ไม่รู้เรื่องนะเพื่อนง่ายๆนะไม่รู้เรื่องนะครับ ไม่รู้เรื่องคุณงายไม่รู้เรื่องมันจะเอาใจการ น, น, น้องอันนี้ถ้าถ้าหากว่าเราได้อบรมเช่นนี้เราก็มีความรู้เป็นขนาดนี้มีความรู้โครงการจำที่ได้ยินเดียวนี้แต่ว่าจิตยังไม่เป็นมีความรู้ขนาด น, นี้เท่านี้ทีนี้อาทิตย์ปฏิจจังจะรู้โดยตัวเดียวนั่นจะต้นมันรู้ไปแปลกนี้ไปมันจะรู้อย่างนี้อันนี้เรียกว่าความจําอันนั้นเรียกความจริงเออใช่ <c oughs> มันมนมันมนเป็นอย่างนี้ะนะท่านลองปฏิบัติเนี้ยยังงั้นพระปฏิบัติทำไมท่านชอบช um. อบไปนิพมาท่านชอบไปอยู่ภูเขาท่านชอบไปอยู่ประชาท่านชอบชันมือเดียวดือนสองสามวันทำชันทีนึงอะไรเนียเป็นต้นทาไมเสียไปงั้นก็ท่านมาอนกูีอยู่ประชามันเป็นงั้นอยู่ภูเขาเป็นงั้นอยู่หลายคนเป็นงี้อยู่คนเดียวเป็นงี้ มันจะรู้จักหมดทุกสิ่งทุกอย่างแบบนีน้ฉะนั้นแต่จริงเสถียหาหาตรงนั้นนะแต่หาไม่ไม่รู้จักมันเออย่างที่ว่าเสียงมันควนนั้นแล้วก็หนี้เสียงเรื่อยไปนึก่าเราจะหาความสง บ, บไม่ใช่เออทําไมทั้งนี้มันไปเพราะว่าเสียงมันควรอยู่ที่นี่แล้วก็หนี้ไปทางนั้นเองมีตัวมากมายแต่นความนี้จริงเราไปกวนเสียงถ้าเรานนีไปฉะนนั้นไม่ใช่มันมันจะหนีจากความสง บ, บนะ ไม่ใช่วันนี้จบับความุณวายไปหากวามวนวายเพราะเราไม่รู้เหมือนไปนั่งจรงนั้นมีเสียงเกิดใหม่เขาวนวายอยู่แล้วนะนี้จากนั่นไปยิงไป ม, มีเสียงในคอนมสิร์ตไปตรงนั้นมีเสียงอีกเขาวนวายอย่างนะี้แเนี่ยเพราะเรารู้แต่ความจำไม่รู้ความจริงตามเป็นจริงของมันทีนี้ม า, ร, ารู้ตามความเป็นยจริงมาแล้วนะเราจะอยู่กับเสียงเสียงกับอยู่กับเรานั่นมันก็มีอะไรมันก็เป็นคนตัวอย่างหรือเราจับเราเราจะค่ายว่าไอ้นี้ยเอ อย่างอย่างวัตถุเนี่ยเราจะยกขึ้นมามันหนักมันหนักแล้ยกขึ้นมาดูสิหนักแต่เราวางมันก็ไม่หนักนี่มันหนักเพราะอะไรเนะี่ยเพราะเราไปยกมันมันก็เลยเกิดน้ำหนักขึ้นมาถ้ า, าว่าเราปลอ่อยลงไปทำไมมันถึงเบาเพราะเราไป่ยกมันเรื่องแค่นี้นะพดูดง่ายๆนะเรื่องที่จะไยกมันคือเรื่องอุปทานว่าเทียนกวนเราอนยะ่างนี้ มันก็วุ่นวายแต่เราไปคิดเห็นนั้นทีนี้อันนี้เรายกมันขึ้นมาหรือไม่ยกมันน้ําหนักของสายพาก็มันมีกิโลหนึ่งอ่ะมันมีกิโลเดียวเท่ปลอยมันไว้อยู่มันก็หนักกิโลเดียวเสมอแต่เราไม่หนักเพราะเราไม่ยกมันน้ำหนักก็ก็ไม่หายไปจรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันทีดนั้นนถ้าเราไปยกมันทำัยถึงมาพอเราไปยกมันมันก็หนักเพราะนี้มีน้าหนัก ถ้าเราไม่ยกอันนี้ไม่นักไม่แล้ว ก, นะก็ไม่นัดเสียงนั่นแต่ราปล่อยเช่นนั้นแหละมันมีโซนเราเพาเราไม่ไปยึดมันมันไปอยู่อย่างนั้นอันนี้่มันลิกกลับนะมันลิกกลับมันซิก ม, มันิกกลับอย่างเงี้ยคือคือรีกว่ากว่าจะแยกออกมาได้เออนี่เนี่ยเรียนนั่นนีนี่เรียนตรงเียฉะยนั้นถ้าจะต้องไปอยู่ปา่าฉันจะต้องมัดน้อยฉ Mustafa, ันจะต้อง้นโพรธฉจะจนุนคามมาน อะไรที่จะไปเดียวจะระอดทนได้ท่านไปทํามันนั้นท่จะไปทำขนาดนั้นมันทุกข์ท่กนไปทำขมันทุกข์ถ้าทุกข์กันมาแล้วมันถ้าทุกข์กันมันไม่เกิดความคิดถ้าไม่ทุกข์ไม่ทุกข์มือนมันไม่เกิดความคิดมันสุขมันสบายไอ้ความสุขความสบายนี้นะพาเราติดกิเยสมากกว่าที่มันทุกข์พอทุกข์เลยมันหาทางสุขไม่ต้องหาหรอกมันสบายนับสบายสนิท เช่นนี้ อ, อย่างอารมณ์เช่นนี้เป็นต้นอารมณ์นี้ก็เรียกว่าเป็นทิทธารมณ์อารมณ์ที่ปรารถนาอย่างนี้อันนี้ฐ า, ารมอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาอารมณ์ที่ปรารถนาคือเราชอบอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาเนี่ยเรียกว่าเราไม่ชอบมันอารมณ์นี้มันจะมีอยู่ยงั้นแต่เมื่อความเป็นจริงเรื่องอารมณ์นั้นมันก็เสมอันมันมีน้าหนักเพราะเราไปชอบมันเท่านั้นหรือไม่ชอบมันเท่านั้น ก็เพราะเราไปเกี่ยวข้องกับมันถ้าเราไปชอบมันเราก็อารมณ์นั้นไม่ดีถ้าเราไปชอบมันก็ว่าอารมณ์นั้นไมดีก็เพราะเราไปเกี่ยวข้องกับมันน่ะเดงไม่ใช่อื่นหราถ้ามันอยู่